คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำขั้นปัญญาขั้นที่นึ่งนี้ยังไม่สามารถใช้ในการดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ได้ แต่เป็นปัญญาที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เหตุและผลของความสุขของความทุกข์ที่มีอยู่ภายใน ใจของเราแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจว์่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจสมุทัยก็คือ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจนิโรดก็คือการดับของความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมักก็คือวิธีการที่จะทำให้ความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจนั้นดับไปหายไปพอเรารู้แล้วว่า ความทุกข์ความไม่สบายใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นเหตุก็คือสมุทยัยคือความอยากทั้งสามประการคือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ความไม่สบายใจหายไปหมดไปเราก็ต้องละ เหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจก็คือละตันหาทั้งสามนี้และการที่จะละตันหาทั้งสามนี้ได้เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบก็คือมรที่มีองค์แปดถ้าย่อลงมาก็ ศีลสมาธิปัญญาสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหรือทานศีลภาวนาสำหรับผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่นี่คือเครื่องมือที่จะใช้ในการละตัณหาความอยากเพื่อจะได้ดับความทุกข์ความไม่สบายใจ การรูเ้เพียงเท่านี้ยังไม่มีกำลังพอเพราะเราเพียงแต่รู้เหตุรู้ผลแต่เรายังไม่มีมรรคก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เราละตั้นหาความอยากต่างๆได้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราละ ความอยากได้ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาถ้าใจเรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิใจของเราก็จะมีพลังมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ใจเราต้องมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้ว ใจจะสู้กับความอยากได้ดังนั้นขั้นต้นของปัญญาก็คือสุตตมะยะปัญญาอันนี้ก็เหมือนกับที่เราเรียกว่าปริยัติปริยัติก็คือการศึกษาการร่ำเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เราต้องการความดับของความทุกข์ของความไม่สบายใจเราก็ต้องละตัณหาความอยากต่างๆการที่เราจะละตัณหาความอยากได้เราก็ต้องมีมักก็คือต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิก่อนที่จะมีสัมมาสติสัมมาสมาธิได้เราก็ต้องมีศีล ก็คือัมมากรรมมันโตสัมมาวาจาละสัมมาอาชีโวสัมมากรรมมันโตก็คือการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวก็คือการมีอาชีพที่ถูกต้อง สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็กอยู่ในศีลห้าล 8, ิศแินสอง้อี่เข้อนี่เองเช่นการไม่ฆ่าการไม่รักษาการไม่ประพฤติผิดโปเเณีการไม่พูดปดการไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆนอกจากสุราแล้วก็มีการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืน การครบคนชั่วเป็นมิตรการมีความเกลียดค้านการที่จะแก้ความเกลียดค้านได้ก็ต้องมีสัมมาวายาโมก็มีความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะสร้างมรรคขึ้นมาก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิ พอเรามีสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเราก็จะสามารถที่จะใช้สัมมาทิฏฐิมาในการละความอยากดับความทุกข์ภายในใจได้เพราะพอเราได้สุตตะมัยะปัญญามาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญจินตามัยยะปัญญา คือนำเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาพิจารณาใข้ควรอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการทําการบ้านสุตตมยาปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนอยู่ในห้องเรียนครูสอนอะไรบอกอะไรนักเรียนก็จดไว้แล้วพอกลับบ้านก็เอาไปทําการบ้านต่อ เอาไปพิจารณาค่ายควรเพื่อที่จะได้ไม่หลกไม่ลืมว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือปัญญาขั้นที่สองเป็นการทำการบ้านปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะดับปัญหาดับความทุกข์ภายในใจ ได้แต่เป็นปัญญาที่จะเตรียมเพื่อให้เกิดปัญญาขั้นที่สามต่อไปปัญญาขั้นที่สามก็คือภาวนาไมยะปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี่แหละที่จะเป็นปัญญาที่จะสามารถทำลายปัญหาต้นเหตุของความทุกข์ใจได้หยุดความอยากได้ ละความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ถ้าเปรียบเทียบปัญญาคั้นนี้ก็เหมือนกับปัญญาที่เราใช้ในห้องสอบเราเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนแล้วเราก็ไปทำการบ้านเตรียมตัวเข้าห้องสอบพอเราจดจำความรู้ต่างๆที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน เราได้เวลาเข้าห้องสอบเราก็จะสามารถตอบคำถามตอบปัญหาตอบข้อสอบได้ทุกข้อเราก็จะสอบผ่านแต่ปัญญาทางธรรมนี้ต่างกันกับปัญญาทางโลกก็คือว่าข้อสอบนี้มันเป็นข้อสอบที่อยู่ในใจของเรา ส่วนปัญญาทางโลกนี้อยู่ในความจําของเราเช่นเราเรียนวิชาอะไรต่างๆเราเพียงจดจาวิชาเหล่านั้นเช่นวิชาประวัติศาสตร์เราจําวันเวลาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาพอเวลาเข้าห้องสอบถ้าเราจําได้หอข้ถามว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็เขียนต่อไป เราจได้เราก็จะตอบคำถามได้เราก็จะทำข้อสอบได้แต่ข้อสอบทางธรรมนี้มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความทุกข์ใจของเราได้อยู่ที่ความอยากของเราที่เป็นต้นเหตุของการทาให้เกิดความทุกข์ใจอันนี้ต้องเกิดต้องมี เครื่องไม้เครื่องมือมามาช่วยทาข้อสอบคือความจาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเช่นเราจาได้แล้วว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากแต่เวลาเราเจอข้อสอบเจอความทุกข์ใจเจอความอยากเราหยุดไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจำได้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเรานี้ คือความอยากแต่เราหยุดไม่ไดก้ก็ทำให้เรายังไม่สามารถสอบผ่านได้คือว่าเรายังไม่มีภาวนามายปัญญาตอนนีภ้ภาวนามายปัญญานี้ต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจความนิ่งความสงบความอิ่มความพอความเป็นอุเบกขาของใจพอเรามีสัมมาสมาธิแล้วเวลาเกิดข้ขอสอบขึ้นมาเวลาเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราถ้าเราจาเมดถ้าเราจำได้ว่า ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากและความอยากนี้จะดับไปได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นโทษของความอยากเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้อย่างถาวรดับได้เพียงชั่วคราวแต่จะไม่ได้ทําให้ความอยากนั้นหายไป เรือหมดไปเช่นคนที่ติดบุหรี่ข้อสอบของคนที่ติดบุหรี่ก็คือเวลาเกิดความอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาก็ดูซิว่าจะสามารถหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้หรือไม่การที่จะหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้ก็ต้องมี สัมมาสมาธิก็คือมีอุเบกขามีใจที่นิ่งที่สงบแล้วก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่ า, าความสุขที่ได้จากการสุบรินี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นการระงับความอยากชั่วคราวเวลาอยากสุบริแล้วได้สุบริ ความอยากนั้นก็จะระ ง, งับตัวลงไปแต่จะไม่หายไปเวลาความอยากสูบบุหรี่นั้นระ ง, งับลงไปความทุกข์ความทรมานใจที่เกิดจากความอยากจะสูบบุหรี่ก็จะหายไปแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะเกิดความอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาใหม่ ก็จะเกิดความทุกรอบใหม่ขึ้นมาก็ต้องสูบบุหรีอีกแต่ก็จะไม่สามารถที่จะละความอยากจะสูบบุหรีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะสูบบุหรีได้อย่างถาวรเป็นการดับเป็นพักๆไปเพราะเกิดความอยากสูบบุหรีก็สูบบุหรีพอสูบบุหรีแล้ว ความญหญุดหยิดลำคานใจก็หายไปความอยากก็หายไปชั่วข่าวพอเกสักระยะหนึ่งก็เกิดความอยากที่จะสูุบริมวลใหม่ขึ้นมาอีกถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าการที่เราจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสูุบรีได้เราต้อง ไม่ทำตามความอยากเพราะว่าทำไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการดับความความทุกข์อย่างแท้จริงและถาวรเป็นการผลักความทุกข์ไปข้างหน้านั่นเองไปไปในอนาคตคือในอีกสิบห้านาทีหรือ20สิบนาทีก็จะเกิดความอยากที่จะสูบบุหรี่ใหม่ขึ้นมาอีกถ้าอยากจะดับความทุก ก็ต้องไม่ทำตามความอยากก็ต้องเห็นว่าการทำตามความอยากแล้วไม่ใช่เป็นวิธีแก้วิธีแก้ก็คือต้องหยุดความอยากอันนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบปัญญาว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและจะดับได้จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรก็ต้องไม่ทำตามความอยากเพรานั้น ถ้าทำได้ก็ต้องมีสัมมาส ม, มาธิมีอุเบกขาเพราะใจที่มีอุเบกานี้จะไม่หิวไม่หวยพอบอกให้หยุดก็จะหยุดได้แต่ถ้าไม่มีส ม, มาธิบอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้เหมือนคนที่หิวข้าวบอกไม่ให้กินข้าวบอกอยังไงก็หยุดไม่ได้ ทั้งๆั้งที่บอกว่าข้าวนี้กินเข้าไปแล้วจะทาให้ท้องเสียแต่ความอยากความหิวนี้มันจะทําให้ยอมท้องเสียแต่ตอนนี้ขอกินก่อนแต่คนที่กินข้าวอิ่มแล้วพอบอกว่าอาหารจานนี้กินแล้วจะทําให้ท้องเสียก็จะไม่ไม่กินทันทีอันนี้เป็นข้อสอบต้องเกิดเวลาที่เกิด ความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากขึ้นมาข้อสอบของคนที่สูบบุหรีก็คือการหยุดสูบบุหรีทําได้หรือไม่ถ้าทําได้ก็จะสอบผ่านข้อสอบของคนที่อยากจะดื่มสุราก็จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่ว่าหยุดดื่มสุราได้หรือไม่ ก็สอบของคนที่ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหยุดไปเที่ยวได้หรือไม่เวลาเกิดความอยากก็สอบของคนที่รักตัวกลัวตายจะหยุดความอยากรักตัวกลัวตายได้หรือเปล่าหยุดความไม่อยากตายได้หรือเปล่าคนที่กลัวเจ็บจะหยุดความกลัวเจ็บได้หรือเปล่าความอยากไม่เจ็บได้หรือเปล่า นี่คือข้อสอบที่จะต้องใช้ภาวนามยปัญญาเป็นผู้ตัดสินสุตตะมยปัญญาเป็นเพียงเป็นการบอกให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรอจินตามยปัญญาเป็นการไขควรทบทวนคิดอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้ลืมว่าจะต้องทำอย่างไร แล้วก็ต้องไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาคือต้องสร้างสัมมาสติสร้างสัมมาสมาธิต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไปกับอารมณ์ต่างๆไปกับเรื่องราวต่างๆไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆให สักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันเช่นให้รู้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรือจะให้รู้อยู่กับการประทำของร่างกายก็ได้ก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน ไม่ว่าจะทำอะไรหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดินไปข้างหน้าเดินกลับมาข้างหลังทำภารกิจอะไรต่างๆทุกอิเลยาบทให้ใจจดจอ่อเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลานี่คือการเจริญสติเรียกว่าการดูกายก็ได้ คนใหญ่เรามักจะได้ยินว่าดูจิตกันแต่เราไม่ค่อยจะได้ยินเรื่องของการดูกายเพราะเราคิดว่าการดูกายนี้มันสู้ดูจิตไม่ได้แต่การที่จะดูจิตได้นี้จำเป็นจะต้องมี ส, สมาธิก่อนเพราะว่าจิตนี้ไวมากถ้าไม่มีสมาธิทำใจให้นิ่งก่อน จะดูจิตไม่ได้จะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูกายก่อนกายากตาสติก่อนในสติปัฏฐานสี่มีจุดที่ให้ดูอยู่สี่จุดจุดแรกก็คือกายจุดที่สองก็คือเวทนาจุดที่สาก็คือจิตและจุดที่สี่ก็คือธรรมท่านให้ดูกายก่อนเพราะว่ากายเป็นส่วนหยาบ เป็นส่วนชาที่เราสามารถติดตามดูการเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกได้อย่างสบายส่วนจิตนี้คืออารมณ์ต่างๆความคิดปรุมแต่งต่างๆนี้มันละเอียดและมันไวมากเราจะไม่มีความสามารถที่จะติดตามและทำให้เกิดประโยชน์ได้เราจึงต้อง ดูกายก่อนจะนอนสติที่กายก่อนความดูการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเกาะติดอยู่กับร่างกายเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธก็จะบริกรรมแต่พุทธโธเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับพวกเราที่เวลานั่งสมาธิกันเวลาบริกรรมพุทธโธได้สักสองสามครั้งก็ ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วนั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้จะสงบได้นี้ต้องอยู่กับคมบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้ภายใน 4-5 ห้านาทีใจก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นเหน่งได้เป็นอุเบกขาได้สักตาวารู้ได้ หรือถ้าใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับการดูลมเพียงอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้ตรงจุดเดียวก็รู้ตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกบริเวณปลายจมูกหรือบริเวณเหนือลิมฝีปากเป็นเป็นจุดที่ลมจะสัมผัสกับร่างกายเวลาเข้าไปเวลาออกมา ถ้ามีสติเฝ้าอยู่ดูอยู่ตรงจุดนั้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาพอเกิดอุเบกขาแล้วก็เหมือนกับการได้รับประทานอาหารอิ่มแล้ว พออิ่มแล้วพอออกมาเห็นขนมนมเนยถ้ามีตัณหาความอยากกินเนื่องจากยังมีนิสัยยังไม่ได้ตัดตัณหาความอยากแต่ความริงร่างกายไม่อยากจะกินแต่ใจยังอยากจะกินอยู่เราก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าอย่าไปกินกินแล้วมันจะเป็นโทษกับร่างกายและกับจิตใจ กับร่างกายก็คือทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็นภัยกับจิตใจก็เพราะว่าจะส่งเสริมความอยากส่งเสริมความทุกข์ใจให้มีอายุต่อไปยาวขึ้นไปถ้าเราต้องการที่จะให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องไม่ทาตามความอยากถ้าเรา ถ้าใจอิ่มแล้วมีโอเบขาแล้วพอได้รับข้อมูลอย่างนี้ก็จะไม่ทําตามความอยากได้จะไม่รู้สึกทรมานแต่อย่างใดแต่สาหรับใจที่ยังไม่มีออเบขา t h i ก็เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้กินข้าวพอเจอขนมนมหน่อยขึ้นมาก็อยากจะกินทันทีแล้วก็ต่อให้ช่างมาฉุดต่อให้ใครมาสอนว่าไม่ให้กิน ก็จะไม่ฟังเพราะตอนนั้นมันหิวมันก็จะกินนี่คือความแตกต่างกันระหว่างใจที่มีอุบเบกขากับใจที่ไม่มีอุบเบกขาใจที่มีสมาธิกับใจที่ไม่มีสมาธิเวลามีอุบเบกขาแล้วพอใช้สัมมาทิฏฐิใช้เหตุผลมาสอนใจไม่ให้ทําตามความอยาก ใจก็จะเชื่อแต่ถ้าไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาต่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาสอนต่อหน้าก็กทําตามไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ชเช่นพระเทวทัตนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนพระเทวทัตเองเวลาเกิดความอยากเป็นผู้ประทางปกครองสง ขอกล่าวขออนุญาตขอประทานพรขอให้พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้ตนเองเป็นประธานสงฆ์ดูแลปกครองสงฆ์นี่ก็คือความอยากความอยากมีอยากเป็นแต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าเธอไม่สมควรที่จะเป็นเพราะเธอยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นได้พอทรงห้ามแทนที่จะฟัง กับเกิดความโกรธแค้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะไม่ได้ทาเพราะไม่ได้ดังใจอยากความความอยากนี้จึงทำให้เกิดความทุกข์เกิดความโกรธแค้นโกรธเถืองขึ้นมาเกิดการอาฆาตพยาบาทขึ้นมาจนถึงกับพยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันนี่ก็เพราะว่า ไม่มีสัมมาสมาธิพระเทวทัตนี้ท่านมีมิจฉาสมาธิเวลานั่งสมาธิท่านจะไม่เข้าสู่เบกขาท่านจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรับเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์าที่ทราท่านได้ท่านสาเร็จทางนี้สาเร็จทางอิทธิฤทธิปาฏิหารมีอิทธิฤทธิบางอย่างแต่ท่านไม่มี อุเบกขาไม่มีสัมมาสมาธิเวลานั่งสมาธิทีไรก็ไม่จิตไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นเอขะกขัตารมไม่เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แต่ไปกับไปมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆก็เลยหลงคิดว่าอิทธิฤทธินี้เป็นของวิเศษจึงกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นประธานสงฆ์ พอพระพุทธเจ้าไม่ตอบสนองความอยากสรงห้ามตามสงสอนให้ละความอยากนี้เพราะว่าเป็นความอยากที่จะทำให้ทำลายตนเองสร้างความทุกข์ให้กับตนเองก็ไม่ยอมฟังก็ยังอยากได้อยู่ยังอยากเป็นประธานสงอยู่ยังวางแผนที่จะปองพระชนพระพุทธเจ้า เพาคิดว่าหลังจากพง ม, มชนแล้วตนเองจะได้ขึ้นมาปกครองสงฆ์แทนต่อนี่คือตัวอย่างของการไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วต่อให้ช้างมาดึงไว้ก็ดึงไว้ไม่อยู่ต่อให้มีสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าต้องหยุดความอยากก็ไม่ฟังจะทำความ จะทำตามความอยากอย่างเดียวพอคิดว่าทำแล้วจะสบายจะมีความสุขนั่นเองดังนั้นการที่เราศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เรานําคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาอยู่เนืองๆ น, งนี้เป็นเพียงการเตียงตัวเราให้เข้าสู่ การเข้าห้องสอบถ้าเรารู้แล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆแล้วเราก็จดจําอยู่เรื่อยๆพอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ต้องมาแก้ที่ความอยากเราอยากไปแก้ที่สิ่งที่เราอยากเช่นเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอเราไม่ได้เราก็หาวิธีที่จะหาที่จะเอามาให้ได้แทนที่จะหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากเสียความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหายไปเราก็จะไม่ต้องไปทําอะไรให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆแต่การที่เราหยุดความอยากไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่มี สัมมาสมาธิยังไม่มีอุเบกขานั่นเองดังนั้นการปฏิบัติของเราจึงต้องอยู่ที่การเจริญสมมาทิฐิควบคู่ไปกับการเจริญสมมาสมาธิคือเราต้องมีทั้งสองส่วนมีสมมาสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็มีสมมาสมาธิที่คอที่ท ที่คอยจะเตือนคอยสอนใจเราว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่เราไม่ได้เราอยากจะได้สิ่งนั้นแ้่เราไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปหาวิธีเอาสิ่งนั้นมาให้ได้เพื่อเราจะได้ดับความไม่สบายใจของเรา อันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีดับความไม่สบายใจเพราะว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นพอเราได้สิ่งนั้นมาแล้วความอยากที่ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นก็จะหายไปแต่ความอยากมันไม่หายไปเดี๋ยวก็เกิดความอยากได้สิ่งใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะเหมือนตะคุบเงาไปเรื่อย พอเดินตามเงาไปเรื่อยๆเห็นเงาพาดอยู่ข้างหน้าก็เดินไปหาเงาคิดว่าจะไปจับเงาให้ได้พอไปถึงตรงจุดที่เงาอยู่เงามันก็เลื่อนไปข้างหน้าอีกแล้วพอเราทําตามความอยากอันนี้ปั๊บเดี๋ยวความอยากอันใหม่มันก็โผล่ขึ้นมาอีกนีวิธีที่เราจะหยุดตะคุกเงาก็คือเราต้องไม่ตะคุกเงาเราอยู่เฉยๆ แล้วความอยากมันก็จะหายไปเราอยากไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดไปได้นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระอริย ส, รรสัจสี่นี้อยู่ที่การเจริญมักต์ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมา คิดถีก็คือเราต้องติจณาอยู่ได้เลื่ยว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้จะไม่สามารถดับความอยากของเราได้อย่างถาวรเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราได้มาความอยากนั้นมันก็จะหายไปแต่มันจะมีความอยากใหม่ขึ้นมาแทนที่เช่นเราได้ของเช่นนี้แล้ว ต่อไปเราก็อยากจะได้ของอีกชิ้นหนึ่งวันนี้อยากจะได้เสื้อผ้าพรุ่งนี้อยากจะได้กระเป๋ามเแล่ว น, นี้อยากจะได้รองเท้าแล้วต่อไปก็อยากจะใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่กระเป๋าออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอกลับมาแล้วก็เบื่อเสื้อผ้าชุดเก่ารองเท้าคู่เก่า กระเป๋าใบเก่าก็อยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่องรองเท้าคู่ใหม่กระเป๋าใบใหม่เพื่อที่จะได้ไปเที่ยวใหม่เนี่ยอันนี้มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปอยู่เรื่อยเวลาใดที่ไม่ได้ทําตามความอยากเวลานั้นก็ไม่สบายใจทุกข์ใจเสียใจอยากจะซื้อรองเท้าแล้วไม่ได้ซื้อก็เสียใจอยากจะซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อก็เสียใจ ไม่สบายใจไม่มีความสุขใจอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็จะทุกข์ใจก็เพราะว่าไม่มีมรรค น, นเองไม่มีสัมมาสติเพื่อทำให้เกิดสัมมาสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาแล้วมีสัมมาทิฏฐิที่คอยสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะว่าความอยากจะไม่หมดไป ตามการกระทำตามความอยากความอยากจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากไม่เชื่อลองทดลองดูเช่นเราอยากจะสูบบุหรี่ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราก็ไม่สูบหรือเราบุหรี่ออกมาแล้วก็หักมันทิ้งไปทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็เอาบุหรี่ออกมาแล้วก็จุดมันแล้วก็ปล่อยให้มันให้มันไหมหมดของมันไปเอง ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปความอยากมันจะหายไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจความหงุดหงิดใจกับความอยากจะสูบบุหรี่เห็นคนอื่นสูบบุหรี่เห็นบุหรี่เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือการเจริญปัญญาเราจะต้องจบลงตรงที่ขั้นภาวนามยัปัญญา การเจริญปัญญานี้ก็เพื่อจะได้เอามาใช้ในการละปัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนั่นเองถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถดับปัญหาทุกรูปแบบได้แต่ก็ต้องเป็นการเจริญปัญญาเป็นขั้นๆไปปัญญาทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกัน ขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอาลาัยทุกขั้นนี้ต้องใช้ปัญญาเพื่อละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากเช่นเวลา ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาก็ต้องให้เห็นว่าความทุกข์ใจนี้เราเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปแต่ความเจ็บทางร่างกายนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้เวลาเขาเจ็บเราจะสั่งว่าให้หายไป<ม>เขาไม่หาย เขามีเหตุของเขาเขาจะหายก็ต่อเมื่อเหตุที่ทําให้เขาเจ็บนี้หายไปเขาก็จะหายถ้าเราไปอยากให้ความเจ็บนี้หายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปอันนี้คือการใช้ปัญญา ในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเกิดข้อสอบขึ้นมาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราต้องพบกับความตายมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องหยุดความอยากไม่เจ็บให้ได้หยุดความอยากไม่ตายให้ได้เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจไ ป, ปเปล่าๆเพราะว่า ทุกไปแล้วก็ไม่ได้ไปหยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หยุดความตายแต่อย่างใดคนฉลาดหยุดความทุกข์หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้แล้วก็จะเจ็บอย่างสบายจะตายอย่างสบายเช่นพระพุทธเจ้าพระอารหาันต์หรือพระโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้ท่านเจ็บอย่างสบายท่านตายอย่างสบายเพราะท่านมีปัญญา มีภาวนามายปัญญาที่จะเห็นโทษเห็นภัยของความอยากไม่เจ็บของความอยากไม่ตายแล้วท่านก็ใช้มร ก, ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้แล้วความทุกข์ใจก็หายไปความไม่สบายใจก็หายไปความสงบความสบายใจก็กลับคืนมา ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเวลาร่างกายไม่เจ็บใจก็สบายเวลาร่างกายเจ็บใจก็ยังสบายเหมือนเดิมอยู่นี่คือการดับความทุกข์ด้วยการละปัญหาความอยากด้วยการใช้มรรคก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินี่เอง ขั้นต่อไปก็เหมือนกันขั้นต่อไปก็เกิดจากความอยากในกามารมณ์เห็นรูปสวยรูปงามก็เกิดกามอารมณ์อยากจะได้เขามาสัมผัสมาเสพก็จะทำให้เกิดความหมุดหงิดใจเวลาที่ยังไม่ได้เสพ จ, จะหายไปก็ต่อเมื่อได้เสพกามแล้ว แต่ถ้าเสพแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความอยากจะเสพขึ้นมาใหม่อกมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดการที่พวกเรากลับมาเวียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนี้มาซ้าแล้วซ้าอีกก็เพราะความอยากจะเสพกามตัวนี้เองอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระในในรูปร่างของคนนี้เองอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะร่วมหลับนอนกับเขา ลเราก็ไม่เคยฝืนความอยากนี้พอตายไปความอยากนี้ก็ยังมีฝังอยู่ในใจของเราก็ทำให้เราต้องกลับมาหาร่างกายใหม่เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพะผะใหม่อีกแต่ถ้าเรามีปัญญาที่คอยสอนให้เราพิจารณาอสาุภะเช่นความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อย เวลาเกิดความอยากที่จะเวลาเห็นร่างกายที่สวยงามก็จะเกิดความอยากจะเสพกามขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอัศวะพอนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทำให้ความอยากจะเสพนั้นหายไปได้คือกามตัณหาหรือกามราคะนี้ดับไปได้อันนี้ก็เป็น การเข้าห้องสอบขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีนี้ท่านต้องใช้สัมมาทิฏฐิก็คืออสุภะความไม่สวยไม่งามเพื่อที่จะได้ระงรับดับกามอารมดับกามาราคะดับกามตัณหาอันนี้ก็เป็นการใช้ภาวนามายปัญญา เกิจะต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วดูซิว่าเรามีมรรคเกิดเมสัมมาสติสัมมาสมาธิสมัมมัทติที่จะดับการอารมณ์นี้ได้หรือเปล่าดับการมรรตันหานี้ได้หรือเปล่าถ้าดับได้ความทุกข์ก็จะหายไปแล้วความอยากในการอารมณ์ก็จะหมดไป กามตัณหาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะสามารถอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของคนสวยคนงามอย่างไรก็จะไม่มีกามอารมณ์ไม่มีกามาตัณหาเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีแล้วเวลาตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป เพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องมีร่างกายของมนุษย์ไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบระงับของกามรรตหาก็คือความสงบใจความเป็นอุบเบกขาของใจในาภายในความสงบนี้ในขั้นนี้ก็ยังมีความอยากอยู่ ยังมีความอยากมีอยากเป็นอยู่เพราะยังมีอัตตาตัวตนอยู่ในจิตขั้นนั้นอยู่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าจิตนี้ไม่มีตัวไม่มีตน เ, เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้เท่านั้นตัวตนนี้เกิดจากอวิชชาความหลงเกิดจากมานะความถือตัวก็ต้องพิจารณาจนสามารถที่จะทำลายความหลงนี้ได้ ที่ทำให้เกิดมีภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นได้เช่นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญจิตในระดับนี้ก็ยังมีความอยากอย่างนี้อยู่เวลาไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเวลาไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะมีอารมณ์ไม่ดีมีความไม่สบายใจขึ้นมา ถ้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าของเหล่านี้เป็นของชั่วข่าวไม่เที่ยงเป็นก็เท่านั้นไม่เป็นก็เท่านั้นเป็นปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปคนสรรเสริญพูดชมปั๊บเจมันก็จบไปพอพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงปัญยาก็มันนจะทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะละได้ละมานะการทือตัว ละความอยากมีอยากเป็นได้นี่คือการเข้าห้องสอบในแต่ละขั้นของทางพระพุทธศาสนามีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์พอทำข้อสอบได้หมดทั้งสี่ข้อแล้วก็ถือว่าสอบผ่านแล้วได้รับปริญญาแล้ว จบแล้วไม่ต้องเรียนหนังสืออีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมีความทุกข์อยู่ภายในใจอีกต่อไปใจมีแต่ปรมมงสุขขังอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะเรียนจบได้นี้เราก็ต้องเจริญสัมมาทิฏฐิทั้งสามรูปแบบคือสุตะมยปัญญา จินตาไมยะปัญญาและภาวนาไมยะปัญญาสุตตาไมยะปัญญาก็คือศึกษาฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ขึ้นไปตามระดับแล้วก็นําคําสอนที่ได้ยินได้ฟังนี้มาทบทวนมาพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืม แล้วพอเกิดมีข้อสอบขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาเกิดความเจ็บขึ้นมาเรื่องต้นอาจจะเกิดความตายของบุคคลที่เรารักก็ได้ไม่ต้องเป็นของเราเองดูซิว่าเราจะเฉยได้ไหมเวลาคนที่เรารักเขาตายจากเราไปคนที่รักเขาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็รักษาไม่หายเป็นอมภพกอมภาต หรือนอนหลับอยู่เฉยๆอยู่อย่างนั้นเมื่อสองสามวันก่อนก็มีแม่คนหนึ่งก็มาทําบุญมาบอกว่าลูกชายไปประสบอุบัติเหตุตอนนี้ยังนอนโคม่าอยู่มีคนแนะนำบอกว่าให้มาหาเราเราจะช่วยได้เราบอกว่าเราช่วยคนนอนโคม่านั้นไม่ได้หล้วเป็นเรื่องของหมอแต่เราช่วยคนที่มาหาได้ ช่วยสอนให้ทำใจว่ามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องวิบากของเขาเขาจะหายไม่หายมันก็อยู่ที่วิบากของเขาอยู่ที่บุญบาปของเขาถ้าถึงเวลาเขาหายเขาก็จะหายเองถ้าวิบากมันหมดมันก็จะหายเองถ้ามันยังไม่หมดมันก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปเราไปอยากให้มันให้เขาหายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงอะไร มีแต่จะทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆ<ม>พอพูดอย่างนี้เขาก็สบายใจขึ้น<ม>ทำใจได้นี่คือเรื่องของภาวนามายปัญญาต้องเกิดเหตุการณ์ต้องเกิดข้อสอบขึ้นมาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพาคจากของที่เรารักที่เราชอบแล้วดูซิว่าเราจะทำใจได้หรือเปล่า ถ้าเราทำใจได้ยิ้มได้สบายใจเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราทำข้อสอบได้เราก็สอบผ่านเราเห็นว่ามันทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปหมดไปตอนนี้คือสัจธรรมความจริงของโลกนี้โลกที่เราอยู่นี้มันเป็นอย่างนี้มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดามีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาแม้แต่ร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเหมือนกัน เราคือใครเราคือใจใจที่มาครอบครองร่างกายนี้แต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายตายเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องตายไปกับร่างกายด้วยก็เลยทำให้เราไม่อยากให้ร่างกายตายแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้ปฏิบัติเราจะรู้ว่าสิ่งที่ตายนี้นไม่ใช่เราเราไม่มีวันตาย ใจของเรานี้เป็นอมตะไม่มีวันตายเพียงแต่ว่ายังทุกข์อยู่เพราะยังหลงไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องตายนั่นเองพอเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะปล่อยวางได้ไม่มีความอยากกับสิ่งที่จะต้องตายไม่มีความอยากไม่ตายไม่มีความอยากไม่เจ็บพอเราไม่มีความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บแล้ว ความเจ็บความตายก็จะไม่มากระทบกระเทือนใจของเราใจของเราก็จะสักแต่ว่ารู้รู้ไปเฉยๆเท่านั้นเองใครตายก็ตายไปใครอยู่ก็อยู่ไปร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดนี่คือขั้นของภาวนามายภาัญญาต้องเจอข้อสอบจริงต้องเจอเวลาที่จะต้องสูญเสีย สิ่งที่เรารักเราชอบไปเบื้องต้นก็สูญเสียสิ่งภายนอกก่อนซึ่งง่ายกว่าสูญเสียสิ่งภายในก็คือตัวเราตอนนี้ตอนต้นเราก็เสียคนนั้นคนนี้ไปเสียพ่อเสียแม่เสียปู่เสียย่าเสียสามีเสียภรรยาไปต่อมามันจะมาเสียร่างกายของเราเราพร้อมที่จะเสียกันหรือยังเราเตรียมทําการบ้านกันไว้หรือยัง ว่ต่อไปร่างกายของเรานี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเรานี้จะต้องตายไปเวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีหมอบอกว่าสงสัยจะมีเนื้อ ง, งอกเสียแล้วอต้องเอาไปทดสอบดูว่าเป็นเนื้อ ง, งอกแบบไหนเอตอนนั้นใจของเราจะเป็นอย่างไรอจะทําข้อสอบได้หรือไม่ทุกคนทําได้ถ้าไม่ขี้เกียจ ที่ทำกันไม่ได้เพราะขี้เกียจพอฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็จบออกจากที่นี่ไปก็ไม่กลับไปทำไม่ไปทาการบ้านกันไม่พิจารณาอย่างเรีองๆว่ า, าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแล้วก็พอถึงเวลาต้องเข้าห้องสอบก็ทำข้อสอบไม่ได้วุ่นวายไปหมดวิ่งไปหาพระซื้อผ้าขาวไปประเคนพระกันเป็นพับ ว่าเค้นร้อยพับพันพับมันก็ไปแก้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีมันไปแก้ความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ดีจะแก้ความทุกข์ใจได้ต้องมีภาวนามายะปัญญาเท่านั้นจะเกิดภาวนามายะปัญญาได้ก็ต้องมีจินตามายะปัญญามีการเจริญมรรคก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้น ถึงจะมีภาวนาเมายัปัญญาพอเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะสามารถใช้ภาวนามายัปัญญานี้มาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อผ้าเป็นพับพบัไปถวายพระไม่ต้องไปวุ่นวายกับผ้า้เสียเวลาพระก็ไม่รู้จะเอาผ้าไปทำอะไรผ้าเป็นพัพั ตัวเองก็ใช้แค่ผืนเดียวแ่าฮ่าฮ่นขอให้พวการามา ก็ขอให้พวกเรามาเจริญปัญญาทั้งสามขั้นนี้กันวันนี้เราก็เจริญขั้นที่หนึ่งคือสูตรตะมยภาัญญาแล้วขั้นที่สองก็ขอให้นำเอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆสร้างมรรคขึ้นมาสร้างสัมมาสติสร้างสัมมาสมาธิสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมา แล้วเพื่อที่เวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาเราจะได้ทำข้อสอบได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวะหาปุราปะริภูเรนติสาการังเอวเมวะอิโตชินางเปตานาังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิดตเมในวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันทูปนะระโสยธามนริโชติอรโสยธาสพพพิติยวิวัจจานตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีกายุโกภวา อภิวาทนาสีิทสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวทาติอายุวโนสุขังภาลาง เพิที่จะมีทวาสยรอ่าวายข้าวขาเนี่ยมันเหมือนมันจะดีกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นเหมือนเปบางส่งมนจะไม่หายไม่หรอกมันใบเวที่ยองมาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทลของผ้าป่าที่จะต้องใช้ผ้าขาวมาใส่เสื้อผิวมันจะไม่ใช้ผ้าสีเสมอเลยใช้ผ้าขาว ไม่เห็นหมายถึงว่าภาพเปรียบเทียบภาพกับอย่างอือ่ออนนะค่ะของ อ, อื่นยาาตร์องอ่ที่วของอื่นมันอยู่ที่คนใช่ไงคนรับถ้าขาดอะไรสิ่งนั้นก็มีมีคุณประโยชน์ะครับาถาสิ่งนั้นมีเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่มีคประโยชน์แต่ว่าไม่ได้คู่ให้ไม่ได้ไดม้มากกว่าหรือไม้เท่ากันบุญอยู่ที่วินที่เราเสียไปเนื่องกว่าเสียเปในรูปแบบไห จะรูปแบบผ้าอาหารยารักษาโรคเราก็ต้องดูคนรับร้อเขาขายอะไรเขาขาดยาแต่ซื้อผ้าให้เขาม่ดีนะรอไอเนี่ยยังไม้ใช้ปัญญาไอ้ผู้ว่าทุกใขสมุนยองกันแตยี่สิบปีแล้วผ้าท่อมทอนแล้วเ่้มสิเอ็ดก็ไม่มีไม่ให้ท้อง ก็ไปใช้กระรงเท้าบาลหรือะไรได้ได้ก็ต้องเอาไปแล้วแต่ที่ไหนเขาต้องการใช้ก็ไปครับอาจารย์้นมีคําถามหนึงรองเท้าเจ็บสีเขียวแล้วไม่ค่อยเคลีย่ะระหว่างสัมทานกับทยทานพระบางองค์อธิบายแล้วมันไม่มันก็้หมดมันเหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์สัมทานกับทายทานทายทานนี้ท่านหมายถึงเข้าของต่างๆที่ญาติโยมมาถวายพระ แล้วออสเตรเรียมีชื่อรวมกันว่าทายาทานจะเป็นจีวรเป็ น, อ ะ, ปน อ, ะป อ, อะไรต่างยาเป็นอยุกยาข้าของอะไรต่างๆนี้เขาเลทายาทานทายาธรรมส่วนสังฆทานนี้เป็นทานที่เรามอบให้กับสงคําว่าสังแปลว่าสงสงในที่นี้ก็หมายถึงส่วนรวมไม่ใช่ส่วนบุคคล ถ้าถวายส่วนบุคคลนี่เรียกบุคคลิศกทานถ้าเราถวายให้ถวายให้พระอาจารย์องค์เดียวนี้เป็นของพระอาจารย์องค์เดียวเนี่ยเรียกว่าบุคลิกทานแต่ถ้าถวายเป็นสังฆทานนี้คือเป็นของพระทุกรูปที่อยู่ในวัดนี้ที่แท้จริงแล้วตอนที่เขาสวดศพตอนข้ามๆอะค่แล้วก็ถวายแต่ละองค์ ก็บอกว่าถวายไทานก็นั้นเราเป็นไตยทานไงก็เป็นของที่ถวายพระเลยพระไตยทานคือสิ่งของเออาก็คืออันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่คือของแต่อันเดียวกันคือถวายของเขาเขาพูดว่าถวายของแต่เขาไม่ได้ถวายเขาไม่ได้บอกว่าถวายแบบไหนถวายเป็นสังฆทานหรือถวายเป็นบุคคลิกทาน ของที่ทำอะไรคือวัตถุประสงค์ต่างๆใช่ก็อธิบายเลยของที่ถือทานคือของของที่ถวายพระเราเรียกว่าทายทานถ้าถวายให้เป็นถวายเป็นส่วนกลางก็เรียกว่าสังฆทานถวายเฉพาะเจาะจงบุคคลก็เรียกว่าบุคคลิศกทานก็มีอยู่ทนั้นอเกียรแล้วยัง คือวัตถุแห่งทานทานแล้วเขาไม่ได้หมายถึงทายาทานนี้กงจะเป็นเหมือนกับลาชาศัเ์เป็นเป็นศัพท์มาจากทางบาลีอะไรนี้ความหมายก็คือของที่เราเอาไปถวายพระนี่เราเรียกทายาทานอ ส่วนถ้าเราจะถวายให้เป็นของสงฆ์เช่นเวลาเราถวายกุติถวายโบสจีดีนี้เราจะถวายเป็นสังฆทานหรือกรถินนี้ท่านก็ให้ถวายเป็นสังฆทานอืส่วนข้าของที่เราจัดมาถวายให้ท่านเป็นชุดๆเองความจริมัเป็นบุญฤลธกทานให้เฉพาะเจาะจงให้กับผู้รับโดยตรงเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเหล่านี้ นี่เรียกว่าเป็นเป็นบุคคลิคทานบ า, บางอันธิบายนี้ค่ะท่านอาจารย์นะสังฆทานต้องรวมอาหารเข้าไปด้วยถ้าทายทานาานะี่ยังไม่เหรออันนั้นก็มั่วกันไป <c oughs> มั่วกันไป <c oughs> สังฆทานนี้่ถวายน้ําขวดเดียวก็เป็นสังฆทานได้ถ้าเราต้องการถวายให้กับสงองคือคำว่าสังบาคำว่ า, าผู้รับเป็นใครเนี่ย เป็นส่วนการเป็นส่วนรวมหรือเป็นส่วนบุคคลแต่ของของที่จะถวายนี้ไม่จําเป็นจะต้องครบปัจจัยสี่เข้าใจไหมทีนี้คนนิยมว่าไหนของจะถวายผ้าต้องให้มันครบปัจจัยสี่บากระป๋องสักกละองสักสักกระป๋องหนึ่งมามา่ากกสักอันหนึ่งแปบงซีฟันเอผ้าผ้าผ้าจีวรก็เป็นผ้าเช็ดมือมากกว่าสักผืนหนึ่ง อ, อ, อันนี้ก็เป็นผ้าแล้ะ ปัจจัยสี่ของพระอาหารายาก็ยาแก้ปวดสักสองสามแผงใสเข้าไปาแล้วอะไรกันใช่ไหมนอกจากกุฏิท่านเก็ไม่ได้ถวายามันก็ไม่ใช่ปัจจัยสี่อยู่ดีมันก็ปัจจัยสามฮะวดีญาติจะแต่งงานพวกเอาแตสังฆทานและพยทานไม่เอาคือไม่ไม่ศึกษากันนะก็เลยเข้าใจกันไปตาม อ, าอา คนไทยเรานี่โง่มากในเรื่องของเรื่องของทางาศาสนาของตนเองเ อ, อไม่ได้ศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องแล้วก็ฟังกันมาฟังกันแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกแล้วก็มามามางงกันว่าเอ้ใครถูกใครผิดกันนะ่สมัยเด็กๆนี่เราได้ยินคําว่าผ้าไตรบ้างผ้าไกลบ้างไม่รู้กันน็นอะบางคนก็เรียกว่าผ้าไกลบางคนเรียกผ้าไตรอ่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยเพราะว่าคนชาวพุทนเราส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษากันก็อาศัยการได้ยินได้ฟังมากันเป็นทอดๆก็เลยมีความคาดเคลื่อนความเข้าใจคาดเคลื่อนกันไปต่อไปก็จะมีการถามคำถาม ใครอยากจะถามที่นี่ก็ถามได้หรือถ้าไม่มีก็จะมีคําถามทางอินเทอร์เน็ตครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับจากคุณสลานพกนะครับซึ่งคําถามเหล่านี้จะถามแทนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติที่สนใจพุทธศาสนานะครับต่อจากสอบถามครั้งก่อนมีเพื่อนชาวต่างชาติของผมสนใจในเรื่องของขันห้า เพื่อนของผมมีคำถามจะถามดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งอารมณ์หรือ emotion กับความรู้สึกหรือ feeling นั้นต่างกันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรความรู้สึกนี่ท่านก็แบ่งว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนอารมณ์นี่ท่านก็ อยากว่าเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีเช่นอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวหรืออารมณ์ที่สงบนี่คือความแตกต่างกันถ้าเรารู้สึกเจ็บนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนารู้สึกไม่เจ็บไม่ก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรสุ ข, ขเวทนาหรือถ้ามีความสุขแล้วก็รู้สึกแล้วสุ ข, ขเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ไม่สุข เราก็เรียกว่ากลางๆเวทนาก็แบ่งเป็นสคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกขนะ์เวลาใดที่เราสุขก็เรียกว่าเรามีสุ ข, ขเวทนาเวลาใดที่เรามีทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์เวทนาอันนี้ทุกข์ทางขันนะคือทางทางร่างกายเช่นอากาศร้อนอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาพอได้อาบน้ํา ความทุกข์ทางร่างกายก็หายไปความสุขทางร่างกายก็กลับมาเดี๋ยวพอร่างกายกลับมาอยู่คือไม่ร้อนไม่แต่ก็ไม่เย็นก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าเวทนาความรู้สึกทางขันซึ่งต่างกับความรู้สึกทางจิตความรู้สึกทางจิตนี่เป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งของจิต ถ้าจิตคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของขันส่วนอารมณ์ก็คือความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเช่นความว้าวุ่นขุนมโม ความวิตกกังวลความเบื่อหน่ายความอิดนาละอาใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเป็นอารมณ์ซึ่งในในทางาศาสนาท่านเรียกว่าเป็นจิตที่เราเรียกว่าจิตมีเกิดมีดับก็คืออารมณ์ ที่เกิดดับภายในจิตนี่ในสติปัฏฐานสี่ท่ญญานแยกเวทนากับจิตออกจากกันเวทนาก็มีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาส่วนจิตก็มีอารมณ์ต่างๆอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ขุนมัวอารมณ์ผ่องใสอารมณ์สงบ <Yeah. S 1> เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ในภาษาที่เราใช้กันเราจะเรียกว่าจิต ที่ธนวจิตเกิดดับเกิดดับก็คืออารมณ์ในจิตตัวจิตเองนี้ไม่มีวันดับไม่มีวันเกิดจิตนี้เป็นผู้รู้แต่เป็นที่เกิดของอารมณ์ต่างๆนี่คือความแตกต่างระหว่างาความรู้สึกกับอารมณ์ข้อที่สองอารมณ์อย่างเช่นความโกรธความกังวล ความปิติยินดีและอื่นๆมีตัวตนขึ้นมาแต่แรกเริ่มได้อย่างไรคือตัวตนนี้มันเป็นเกิดจากอาวิชชาความหลงที่ไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตว่าจิตนี้เป็นเพียงธาตุรู้เป็นเหมือนกับธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ ไม่มีตัวตนอยู่ในดินไม่มีตัวตนอยู่ในน้ำไม่มีตัวตนอยู่ในลมไม่มีตัวตนอยู่ในไฟฉันใด <c oughs> ก็ไม่มีตัวตนอยู่ในตัวรู้ผู้รู้ฉันนั้นต่ทารรู้ฉันนั้นแต่เนื่องจากมีอวิชชาความหลงที่พระพุทธเจ้าทง่งคนคว้าหาจุดเริ่มต้นของควาวิชาก็สรงไม่ไม่สง่งส่งไม่สรงสามารถ ค้นหาเจอได้ว่าอาวิชชานี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ความหลงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ดังนั้นเป็นคําถามที่ท่านเรียกว่าเป็นอจินไต่ที่ไม่สามารถที่จะมีคําตอบได้แล้วก็ไม่มีความสําคัญอะไรที่จะต้องไปรู้ว่าเริ่มต้นที่ไหนเมื่อไหร่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเริ่มต้นที่ไหนปัญหาอยู่ที่ว่า มันกำลังทำอะไรกับเราอยู่มันเป็นคุณเริ่มันเป็นโทษกับเราตอนนี้มันเป็นโทษกับเราเราต้องหาวิธีที่จะทำลายมันให้ได้เพื่อมันจะได้ไม่มาสร้างโทษให้กับเรานั่นเองเหมือนกับที่พระ อ, องค์ทรงยกตัวอย่างว่ามิชายคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกธนูแล้วก็มีหมอลือ ผู้ที่มีความปรารถนาดีจะมารักษาให้จะมาถอนธนูออกให้แล้วก็จะรักษาแผลให้แต่ชายคนนั้นบอกว่าเธออย่าเพิ่งทําขอให้เธอไปสอบถามดูก่อนว่าคนที่ยิงนี้เป็นใครยิงธนูนี้เป็นใครเป็นหญิงเป็นชายมีชาติชั้นวรรณะอย่างไรมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คน เขาบอกว่าถ้าไปหาข้อมูลเหล่านี้ไม่รีบถอนดอกธนูที่มันฝังอยู่ในร่างกายคนคนนั้นก็จะตายได้พระเาจ้าก็บอกตอนนี้เรามีดอกธนูฝังอยู่ในใจของเราก็คืออวิชชาความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด พระเจ้าบอกว่าให้สอดให้ถอนอวิชาออกจากใจของเราให้รีบถอนดอกธนูดอกนี้ออกจากใจของเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเริ่มต้นมาเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดไม่สําคัญอะไรนี่คือคําตอบสําหรับผู้ที่ชอบถามปัญหาแบบโลกแตกทั้งหลายบางคนก็นิบัติจินตายนี้มีอยู่4ข้อเท่าที่ได้ศึกษามาถ้าจําไม่ผิด คนที่อยากจะรู้เรื่องกรรมเนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจินตตยเพราะกรรมมันมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุมันผสมกันไปผสมกันมาจนกระทั่งทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแยกแยะได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรอีกเรื่องก็คือเรื่องของ สมาธิเรื่องเรื่องของฌานต่างๆที่ถ้าพูดมาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถเข้าใจได้แล้วเรื่องของความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าท่านมีความรู้ความสามารถขนาดไหนแล้วเรื่องของการเกิดของโลกเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยจั ก, กรวาลเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้อย่างไร ก็สมัยนี้ก็มีทฤษฎีต่างๆมามาพยายามหาคำตอบให้กันซึ่งความรู้หลังนี้รู้ไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับปัญหาของเราปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้เราไม่ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเก่งกาจขนาดไหนเราไม่ต้องรู้ว่าฌานขั้นนุ้นขั้นนี้เป็นอย่างไรเราไม่ต้องรู้ว่ากรรมนี้มัน มันเป็นมาอย่างไรมันทำให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยกรรมอันไหนอย่างไรไม่ต้องไปรู้มันขอให้เรารู้ว่าตอนนี้เราทุกข์เพราะอะไรแล้วเราหยุดความทุกข์นี้ได้หรือเปล่าเราหยุดเหตุที่ทำให้เราทุกข์ได้หรือเปล่าท่านสอนให้รู้แค่นี้เพราะถ้าเราไม่ทุกข์แล้วมันก็ปัญหาก็จบ ระหว่า น, นี้ที่เราวุ่นวายกันก็เป็นเพราะว่าเรามีความทุกข์ใจอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้เราไม่เชื่อลองหาเก้าอี้นั่งสักตัวหนึ่งว่านั่งเฉยๆสักหกเจ็ดชั่วโมงดูไม่ต้องทําอะไรกินข้าวให้อิ่มกินข้าวแล้วก็หาน้ํามาสักขวดตั้งไว้แล้วก็ลองนั่งเฉยๆสบายจะตายไปทํำไมไม่นั่งกัน ทำไมต้องไปทำนู่นทำนี่ขยับไปนู่นอยู่ตรงนี้ก็ขยับไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็ขยับมาตรงนี้นั่นแหละปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้ให้มาแก้ตรงนี้ให้มันอยู่เป็นสุขให้ได้ตอนนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่เฉ ย, ยเฉยแล้วมันคันแล้วมันก็ไปคันผิดไปเกาผิดที่ที่มันคันมันไม่ไปเกากันพอ พอคันปั๊บก็ไปหยิบเป๊ปซี่มาดื่มพอคันปั๊บก็ไปหากาแฟมาดื่มหาขนมมากินอันนี้มันเกาผิดที่ท่านบอกที่มันคันก็คือความอยากมันอยากกินเป๊กซี่ก็ต้องหยุดหยุดดื่มเบ๊กซี่ถ้าหยุดแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากจะดื่มนี่แหละคือปัญหาของเราเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนแล้วเวลาเกิดปัญหาก็ไปแก้ปัญหาผิดที่ แทนที่จะแก้ที่ใจเราก็ไปแก้ที่อื่นแทนปัญหามันจึงไม่เคยมีไม่เคยหมดไปจากใจของพวกเราเราเวียนว่ายตายเกิดกันมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็เกิดจากความหลงความอยากนี้เองที่เราไม่รู้จักวิธีแก้เพราะเราไม่มีไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรู้ปัญหาของพวกเราว่าเกิดจากความหลงเกิดจากความอยากแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคือความรู้ความฉลาดนี้มาแก้คือให้รู้ว่าปัญหาของความฉลาดก็ให้รู้ว่าปัญหาของเราที่อยู่ไม่เป็นสุขกันก็เพราะความอยากนี่เอง แล้วเราต้องมาทําลายความอยากให้ได้หยุดความอยากให้ได้วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆอย่าไปทําอะไรเนี่ยให้นั่งสมาธินี่ก็เพื่อที่จะให้หยุดความอยากพอจิตสงบแล้วความอยากมันก็สงบตัวลงไปงแต่ว่าการหยุดเฉยๆนี่มันไม่มันไม่ทําให้มันตายอย่างถาวรความอยากพอออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกน ถ้าอยากจะทำลายความอยากก็ต้องไปทำลายต้นเหตุหรือรากเหง้าของความอยากรากเหง้าของความอยากก็คือความหลงความหลงที่คิดว่าทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วทำตามความอยากมันเป็นความทุกข์เพราะมันจะทำให้ต้องอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองวิธีแก้ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากนี่แหละคือวิธีแก้ ความอยากอย่างท้าวอนถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องถอนรากถอนโคนเท่านั้นต้นไม้นั้นถึงจะไม่ออกกิ่งออกก้านออกมาต่อไปถ้าเราตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นแต่ไม่ถอนมันออกจากดินรากยังมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็โผล่กิ่งก้านสาขาออกมาใหม่ได้สมาธิก็เป็นแบบนั้นการาก็เหมือนกับการตัดกิ่งตัดก้านของตันหาความอยาก แต่พอสัตระยะหนึ่งมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำลายความอยากให้หมดไปก็ต้องถอนรากถอนโคนของมันรากโคนของมันก็คือความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าวิธีจะแก้ความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นแล้ววิธีที่จะแก้ความอยากนี่ได้ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องม้เครื่องมือก็ที่พระเจ้าได้ส่งใช้มาก็คือใช้สติใช้สมาธิแล้วใช้เหตุใช้ผลใช้วิปัสสนาก็คือให้เห็นว่าของในโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาทำลายความอยากได้ไม่สามารถที่จะให้ใจของเรามีความสุขได้อย่างถาวรเราต้องหยุดแสวงหาหยุดอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ต้องอยู่แบบไม่มีอะไรให้ได้ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนถ้าถึงเวลาที่มันจะต้องหมดไปก็ปล่อยมันหมดไปไม่ต้องไปรักษามันไม่ต้องไปยืมมันไว้ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปหวงเพราะการหวงความเสียดายนี้มันก็เป็นความอยากอยากให้อยู่ต่อไปอยาก พอไม่ได้อันนี้พอร่างนี้ไม่อยู่ต่อไปก็ไปหาร่างใหม่อีกเพราะยังมีความอยากได้ร่างกายนี่แหละคือวิธีที่พทธเจ้าส่งได้ค้นพบแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่รวมอยู่ในพระอริยรรสัจสี่นี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เป็นความจริงของสรรโลก สัตว์โล ก, ท, กทุกตัวนี้มีอริยสัจสีอยู่ในใจกันทุกตัวทุกคนแต่สัตว์โลกมองไม่เห็นอริยสัจสี่เวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากก็ไปแก้ความทุกข์ด้วยการทำตามความอยากแทนที่จะไม่ทำตามความอยากฝืนความอยากหยุดความอยากก็ไปไปไปต่ออายุ ข, ของความอยากไปเพิ่มความอยากให้มากขึ้น ด้วยการทำตามความอยากนี่แหละคือเรื่องที่พวกเราต้องมาศึกษาแล้มาแก้กันให้ได้มาเกาให้ถูกที่เวลาไม่สบายใจอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปช้อปปิ้งอย่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้มานั่งวิปัสนาเนี่ยคืนนี้มานั่งวิปัสนามาทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็มาหยุดตัญหาความอยาก ต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบจะกินจะดื่มถ้าจะต้องกินต้องดื่มต้องเป็นเพราะความจําเป็นจริงๆเหมือนกับการกินยาดื่มยาเพื่อรักษาร่างกายไว้เท่านั้นเองแต่จะไม่กินไม่ดื่มด้วยความอยากเวลาอยากจะดื่มก็ไม่ดื่มถ้าจะดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ําเปล่าไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มเป๊ปซี่อันนี้เป็นการดื่มเพื่อความอยาก ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจของเราความทุกข์ต่างๆความไม่สบายใจความอยู่ไม่เป็นสุขก็จะหายไปทีนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปไหนก็ได้ถ้าจะไปก็ต้องมีเหตุผลเท่านั้นถึงจะไปแต่จะไม่ไปไปเพราะความอยากไปเหมือนที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้น พอไปทางโน้นก็กลับอยากจะกลับมาตรงนี้มันก็กิ้งไปกิ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลเหมือนลูกปิงปองนี่นี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่เราควรจะให้ความสนใจกันอย่าไปสนใจเรื่องของอาจินไตยทั้งหลายเช่นว่าจิตนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อวิชานี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่โลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ กรรมนี้เป็นอย่างไรถึงทําให้เกิดเหตุการ์อย่างนี้ขึ้นมาเกิดจากกรรมอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ต้องไปรู้มันไม่มีความสําคัญอะไรความสําคัญอยู่ที่ความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากความอยากของเราเราต้องเจริญมรรคแล้วเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะได้มาดับความทุกข์ ด้วยการละความอยากต่างๆเท่านั้นเองง่ายจะตายไปเรื่องเรื่องของปัญหามันง่ายปัญหามันมีแค่สามตัวเท่านั้นเองกรมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหาหยุดสามตัวนี้ได้ปัญหาทั้งหลายในโลกนี้ก็จะหมดไปโลกจะอยู่กันอย่างสันติสุขที่ทุกวันนี้อยู่กันแบบไม่ไม่สงบสุขก็เพราะความอยากทั้งนั้น ไปดูแต่ละประเทศก็อยากจะแยกประเทศกันอยู่ประเทศนี้ก็อยากจะแยกไปอยู่อีกประเทศหนึ่งมันก็เป็นความอยากคิดว่าแยกไปแล้วจะดีมันก็เหมือนเดิมอยู่ละมันก็ต้องจ่ายภาษีต้องทำงานต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหมือนเดิมอยู่ดีมันไม่ได้ไปแยกแล้วจะได้อยู่ฟรีกินฟรีที่ไหนกันเปลี่ยนผู้นำใหม่มันก็เหมือนกันอีกละเปลี่ยนคนนั่นมามันก็เหมือนกัน คนนี้กินมากหน่อยคนนั้นคนนั้นกินน้อยหน่อยมันก็กินเหมือนกันเราก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนเดิมต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหมือนเดิมน้ำมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล้เราอย่าไปวุ่นวายกันเรื่องราวเหล่านี้มาแก้ปัญหาที่ใจเราอย่าไปหยากกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่ก็บปั่นไปตามมีตามเกิด ในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปหมดไม่มีใครเอาอะไรเอาอะไรไปได้สักคนเอาไปได้ก็คือความหลงความอยากความทุกข์ต่างๆเท่านั้นเพราะไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือมาดับความทุกข์ดับความอยากดับความหลงกันนี่แหละมันก็มีเท่านี้แหละขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็น ประเด็นของพวกเราอยู่ที่ตัณหาความอยากของพวกเราอยู่ที่ความหลงของพวกเราเท่านั้นเองของต่างๆในโลกนี้มันไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราหรอกเราให้เรากอบโกยได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ทําให้จิตใจเราหายคันมันก็ยังคันเหมือนเดิมมันก็ยังอยากเหมือนเดิมอยู่มีธรรมะเท่านั้นอ่ะที่จะทําให้ใจของเราหายอยากหายคันได้ ก็คือธรรมปฏิบัติที่ท่านสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเริ่มต้นที่ทานที่ศีลแล้วก็ที่ภาวนานี่เององั้นขอให้เราถามปหาห้องนี่ดีกว่าตอนนี้เรามีทานหรือเปล่าเรามีศีลหรือเปล่าเรามีภาวนาหรือเปล่าถ้ามีมีมากหรือมีน้อยถ้ามียังไม่มากพอก็มีให้มันมีมากขึ้นมีให้มันครบตามที่ต้องการ เพื่อที่จะได้เอามาดับความอยากดับความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเรานี่คือปัญหาที่เราควรจะถามอย่างที่พระเจ้าทรงให้เราถามอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําทานกันหรือเปล่ากําลังรักษาศีลกันหรือเปล่ากําลังภาวนากันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรจะสนใจ อย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจของเร า, เาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเทิน